อือทุกข์ใจร้อนอืบางคนมีปัญหามากบุรุษปัญหาเขาน้อยปัญหาน้อยบุรุษปัญหาน้อยอรัญญโกนี่ปัญหามากสงบดียร์เริมีปัญหาคิดไปอยู่แล้วแล้วก็วิ่งตดปดปดเดปดไแล้วแลว้มันกามาบ้าเนี่ยดู ไม่หมามาบุรุษนั่นเขามีมีปัญหาหน้อ ย, ยวมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่แกเอาอีกไมได้กแกเอาอีกอรัญญโพธิ์สงศ์สายกำไรทงศสายัสงพิงรงประโยกแกสงส์สายไมได้มั้ง แก้ปัญหาคิดไม่ได้หรือรนโยเลยแก้ปัญหาแล้วเมื่อทวามนิสธิเป็นบางครั้บางามีอารณ์หรือความรู้สึกเกิดขึ้นมาใ <Huh? S 3> หา้เร like า <c oughs> <c oughs> ตกใจเจินเต้นและความรู้สึกอันนี้มันมีพลันจิตมากและทำเรานึกถีดมันจะเล่นบ้าและกลัวใครๆว่ามันจะโตเขียวอะไรอย่างนี้ครับทำไมก็มัน มันทำอย่างไรมั้เต็อย่างนี้ถ้าเรามีสติดีอยู่มันก็กลับมามันเป็นบกลับมากกลับมาตอนนี้คลๆเรานั่งอยู่เงี้ยสงบอยู่ลูกตามันโดดลงมาเห็ใจไหมปังโอ้ยจุดมันกลับมาได้เห็นใจไหมมีเราตั้งสติดีมันต้องมันจะรุ่งทุกคนมันจะรุ่งทุกคนแต่้เรานั่งสงบอยู่ คือในเวลานี้มันสติมันดอนที่สุดนี่เอนลูกตางโดนป๊อปป๊บหยุดนล้วมันก็ก ล, กลับขมาที่ของมันได้นมันไม่ผิดอะไรนมันไม่เป็นไปเลยอย่างนั้นทีนี้เราจะต้องนั่งแน่ในใจระหว่าไม่มีอะไรจะทําให้จิตของเราเสียหายไปนอกจากจิตของเราทําเราแล้ว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 เราต้องรู้อย่างนี้ก่อนไว้เป็นพื้นเพมันเป็นพื้นฐานทีนี่เมื่อเราเราก็พิาจารณาไปเรื่อยเมื่อเรานั่งไปพิจารณาไปบางทีมันวุบไปตกใจไปอย่างนี้แต่แคายว่ามีมันมีนิมิตอะไรก็ช่างมันแต่มันมีอารมณ์อะไรก็จะมันวุกไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รื้อได้ทันทีเลยว่าอันนี้ไม่นมีอันตราย เมื่อมันอย่างลูกตาลมันโดนพกปุ๊บตหงุใจแล้วมันตั้งอย่างนี้มันลูกตาลโดนมาพุ่งเรื่องอารมณ์มาถึงก็ปุ๊บกลับขึ้นมาได้นี่เรียกว่าดีแล้วมันต้องตกตรึงพระพุทธองค์ก็ตกตรึงมานเห็นไหมละแต่ว่าท่านกลับมาที่ของท่านได้ อันนี้เมื่เราจะทํำสมาธิหรือเราปฏิบัติเราต้องเข้าใจไม่ในใจของเราเสมอวาอ่าอะไรจะมาทําให้เราเสียหายไปไม่ได้นอกจากจิตที่คิดผิดของเราเท่า น, นั้นจะมาทําเราได้ทีนี้จิตมันก็อยู่ที่เราแล้วก็รับรองจิตของเราแล้วและมีสติอยู่รู้อยู่เสมอแล้วมันก็มันเป็นเฉพาะจิตอาการจิตเฉยๆเท่านั้น ถึงแม้มันจะรุ่งพุ๊บออกไปไปต้นมันมันตั้งอยู่มันจะรุ่งปุ๊บออกไปมันก็ต้องประมาณนี้มันพุบมันไม่ไปเล ย, ยไม่ได้ตั้งอยู่อย่ปุ๊บออกมามือเข้ามาตรงนี้อความสรุ่งเป็นทุกคนความสรุ่งเป็นทุกคนพวกท่านทั้งหลายนี่เขาไปไประช้าตัวบางไหมไม่ผมแล้วแล้วก่อรุ่งพ่อบอผมกําลังจะให้ผ่า<อ>ทางเดินจงกรมมั น, <อ>นสิทำาเสริมไปเอ มียมไปมากมากครับมีมีมีความกลัวมากมมีความกลัวบ้างไหมไปประชาพงศ์ใด Those those of you ever gone to the to our cemetery down here or have ever gone before do you have fears or uh, afraid when you go down there those that have gone มีมีความหวาดทั้งนีถึงมัมย มีเลอมีผีไหมกลัวอะไรแต่นี่มันโกอกนี่นี่แหละเข้าใจไหมนี่นี่มันโกหกของเราเองมันเป็นสัญชาตญาณของมันอย่างเรานั่งอยู่ปุ๊บมันตกใจมีไรปุ๊บมันเป็นสัญชาตญาณของมันแต่มันรู้แ้ามันกลับมาได้อันนี้ก็มันรู้ว่าผีไม่มีแต่กลัวไม่รู้ว่ากลัวอะไรก็ม่รู มันกลัวอะไรนี่แน่อย่างนี้แหละนี่แหละมันความจำเป็นของมันเนึกองว่าไม่มีผีแล้วก็กลัวอยู่มันมีกลมกลัวประชาติทุกครั้งทุกคราไปที่ไหนเป็นต้นเราก็มีกลมกลัวอยู่ น, นี่คือเป็นตางชาติยานของขิตนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งที่เราปฏิบัตินี้ครับ คือมันลุงพ่อไม่ให้จูดจองนั้นไม่ให้หยุดไว้ก็ถ้าหากว่าเราเห็นว่ามีประโยชน์เลือจะวะพิ่ารรานะนี่อะไรอะไรเป็นอะไรอะไรมีก็ทำได้เหมือนกันได้ได้มันมีหลักพอ มันมีเราอย่างนี้นิดเกิดขึ้นมาเนะยเราจะปล่อยมันไปเลยนะแต่เรามีเหตุผลอยากจะพิจารณี้มันคืออะไรเราจะเอามาพิจารณาได้ยกขึ้นมาพิจารณาก็ได้อแต่ว่าอันใดก็ตามมันนะเราจะกลัวคือมันมีเหตุเกิดขึ้นมาในลักษณะอันใดที่เราภาวนาอยู่มันทําให้เราตกใจอะไรใจอย่างนี้เป็นต้น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 พอมีปัญญาจะต้องพิจารณามันแล้วมันเป็นประโยชน์นั้นเราก็ไปพิจารมันก็ได้เช่นว่าร่างกายเราเนี่เป็นต้นทั้งหมดนี่คือร่างกายเราเบื่อมันแล้วเราเห็นว่าร่างกายมันเป็นเกสรมานะคะไม่ต้องซอกมันออกมาก็ได้คือในก้อนมีเบื่อมันแล้วว่าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันรวเป็นอันดีจัง ทุกครั้งเนะี่ตาเต็มอยู่ทางพื้นนี้แล้วเรากไม่ต้องสอบออกมากได้ถ้าเรามีความสงสัยอยู่เต้องพิจารณาออกมาพิจารณาร่างกายของเรานี้มวจิตของเราสมองเราพิจารณาออกมาได้มันจะพิจารณาไปมันแน่นอนไปก็น่นอนได้แต่เราเห็นชัดก็ไปก็ได้มันมีประโยชน์ฝึกนี่แต่ว่าคล้ายๆว่าอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ แ ค, แค่ว่าทำสเสียงเพี้ยนห่คุณมีโตะเคยไปบ่อยๆนะคุณมีโตะพระพ า, าระกรเคยไปบ่อยๆเบื่อแล้วทำเสียงเพี้ยนมีทีนี้พาเพื่อนขึ้นไปเพื่อนว่าท่านอาจารย์พระพ า, าระกรุพาผมไปเที่ยวเขาถึงไปเหรอ <laughs> <laughs> ไปเหรอขี้เกียจไปก็เราเห็นแล้วอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราอยากจะให้เพื่อนดูเราเดินไปก็ได้มาเักไปที่อาไปแต่ว่าตามลำพังเรานี่เราไม่อยากเห็นแล้วเพราะเราเห็นจนเบื่อใช่ไหมที่เราไปนะั้นเราไปเพื่อคนอื่นเขาเพื่อเขายังไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นก็ไปแต่จิตของเราที่เห็นแล้วนี่ก็ไม่ต้องอะไรอันนี้ก็เหมือนกันฉันใดเมื่อเกิดกมาพูดไม่ต้องพิจารณเลยพอเราพิจารณาแล้วก็ไม่ต้องก็ได้ ถ้าเราอยากจะพิจารณาอีกมันแยบคลายกันไปคนนั้นก็ได้จะพิจารณาก็ได้หรือไม่พิจารณาก็ได้อย่างนี้นิดเกิดขึ้นมาเป็นต้นเราจะดูมันไปก็ไดนะ้ดูมันไปดูมันไปเปรียบเทียบไปถ้าเรามาถ้าเราไม่อยากจะดูมันก็ทําไม่เอาใจใส่นั้นก็แล้วได้ถึงนั้นอย่าให้เราหลงถึงนั้นเรือ่องปฏิบัตินี้ ไอ้ความสงสัยนี่โอ้ยผมมันยิ่งตัวร้ายความสงสัยนี่ผมมันยิ่งตัวร้ายกัเขาสงสัยหลายจนว่ามันสงสัยมากเกินไปเลยผมจึงไม่ได้ถามใครในมันตายอยู่นี่โดยมากผมผมปฏิบัติเนี่ยปฏิปทาของผมเนี่ย อยู่ในกัมชะสองสี่สามปีไม่รู้แต่ผมรู้จากสัตติโตนะผมรับรองว่าใครทุกๆคนนี่จะรู้สันติโตอะไยากเนี่ยก็สันติโตนี่เป็นคนมีปัญญาแต่ว่าคนดูยากดูไม่ได้บอกเชมัสโมเขาบอกอยู่เรือกันสันติโตไม่รู้เรื่องไม่รู้สัตติโตนี่เป็นคนมีปัญญา แลอ่้วปีที่โยมแม่ผมเสียไปนั่นนะ่ะเรียกก็มาทําเอาไม้ไผ่มาสารสารฉลอมทําเป็นภูเขาเนาะผมก็อยู่นั่นแหละแต่ท่านก็อยากมาสารชะลองเหมือนเขาท่านก็มาทํามาสารชะลองเขาตอกมาสารชะลองกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่า เคยสารไหมไม่เคยสารวันนี้ผมจะบอกไม่ต้องบอกผมอ่ย <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยอันเนี้ยเท่านี้ผมก็ชอบใจผมแล้วอะ่ะไม่ต้องบอกผมเนี่ยถ้าใทยจะไปบอกก็ต้องทำาม่ไม่ไม่ไเ่ไม่งบอกผมเลย่ไมผมทําเองดีกว่าม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่นม่ไม่ไม่ไก่ไไม่ไมคนม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไไไม่ไม่่่มมไม่ไม่ สันติจิตัวนี้ท่านไม่อ ย, อย่าบอกผมหรอกอย่าบอกผมจะตำนเบนีย <c oughs> นเท่านี้ก็เห็นได้แต่ว่าซึ่งเป็นวัตถุภายนอกก็จริง <c oughs> คือหมายความว่าอันนี้มันในความเห็นของท่านมันมันมันค่ายกับความเห็นของผม <c oughs> อันนั้นท่านสารฉลอมผมเป็นคนภาวนาท่านก็เอาจอกัำมาสารทำ ดูคนนั้นดูคนี้ครับไม่บอกใครมาบอกไม่บอกผมไม่บอกผมไม่ต้องบอกแค่คนจะใช้สมองของแกนี่ทำเป็นเป็นนี่เรียกว่าไอการสารฉลองเป็นนั้นมันเกิดจากไอเดียของเขาเองอใช้ปัญญาของเขาเอง เขาเลยทำเองรู้เองเข้นเองดีกว่านี่ฉะนั้นสันตกิโตนี่จึงเป็นคนคนดูระยะคนอื่นดูยากสันตจิโตคนอื่นดูยากอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสักปีสองปีไม่รู้ว่าสันตกิโตเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องม่ทำอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยเข้าใจไหม ท่นเศรษโตนี่เป็นท่าทีแปลกมากเป็นท่าที่แปลกมา ก, า แ, ก, มากแต่เป็นท่ามีปัญญาเนะ่ยต้องพิจรารณาถ้าเหตุอะไรเขาเกิดขึ้นมาท่านเศรษโตน้องคิดเป็นคนคิดเป็นคนหาเหตุผลมาก บางทีไปหาผมแกไปนัง่ง <laughs> <laughs> อย่างนี้สันตาวิโต น, นะถ้าบางคนไม่รู้จักก็เรียกว่าบ้าอะไระอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้จักแก่าบ้า <c oughs> บางทีก็บางทีก็กินข้าว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 มองเห็นท่านเนี่ก็นึกในใจว่ามันเป็นดุปราศอะไรตั้งๆนี้แต่ว่าสาัตย์คิโตไม่เป็นคนอย่างนั้นนะไม่เป็นคนอย่างนั้นเป็นคนดูระยะสัตย์คิโตัวนี่เป็นคนมีปัญญานะใจกําลังใจเข้มแข็งด้วยจะเกาะเดชขานะครับทำอะไรไม่ต้องพิจารณาง่ายๆต้องไม่ต้องทำยังไงต้องพิจารณาอยู่นาง น, นงอ่า ที่นี่ก็ซันตกิโตนั่นนะไปเยี่ยมบ้านปีนี้นะนะไม่ได้คิดว่าจะอยู่โน้นแกก็เตรียมเครื่องบินมาเราจะเตรียมเงินมีแล้วนะ่ะแกจะมาลงหนระืจะมาเมืองไทยแหละผมก็คิดว่าจะเอาซันตกคิโตอยู่อยู่นี้ไม่ให้กลับบ้านนะใช่ไหมโทรแม่สงสัยเลยเกิดซันตาคิโตนะเอียมตโมอานันโก ไม่รู้เรื่องกันน ะ, ะจะยากสันติตโตยอยากเขาคอยดูอยู่ตรงนี้พอมาถึงก็ผมก็เลยถามว่าสันติตโตนะคิดให้ดีนะปีนี้ผมจะให้ท่านอยู่ที่นี่จะอยู่ปารีส <laughs> <laughs> สันติตโตนะนี่สั่งท่านนี <laughs> ่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 ก็ดีมาไปนิดเดียวค่ะไปเลยไปอยู่นู้นเรียกก็ดีเนี่นิดใสเป็นพวกท่านเคยเห็นไหมเคยเ <c oughs> อเคยรู้จักสันตะจิตโตไหมพุรุษเออสันตะจิตโตเดินแล้วก็เดินเดินที่คุหยุด <c oughs> นะไปอยู่ไอ้ทำแสงเพชรไปบินทบาทเดินเดินดเดินดหยุดเดีวก็เดินช้าช้าโยมก็เห็นสิบางทีวิ่งวิ่งเลยวิ่งตหยุดจุ บางทีก็นั่งลงนั่งนะนั่งลงยมเพราะว่าท่านจะไปซ่วงปวดท้องจะไปซ่วงวิ่งไม่อยู่เพราะมียิงไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> เป็นคนเป็นพระที่รู้ได้ยากถ้ า, าว่าไปที่อื่นคนจะมองท่านจะรังเกียจท่านด้วยแอ้เพื่อนเพื่อนจะอายก่อนนะบางทีให้ขึ้นธรรมะเจ๊ะห้อ <c oughs> <c oughs> ขึ้นธรรมารเทศนะแต่ว่าท่านมีเหตุผลของท่านดีมีปัญญาดีแต่คนดูยากอ น, นันโทโอ้ยวีนนรัสเอ้ยเจมโทก็อยู่หรือกันไม่รู้อนันโทก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าท่านติดตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่ดูเรื่อง <laughs> นี่นิสัยของคนเป็นอย่างาน แต่ท่านในพิจานาติดอะไรแต่ทุกข์นะปฏิบัติทุกข์พิจนาถึงจะไปบ้านเท่านี้ก็ทุกข์ไม่นอนแต่้องพิจารณาทุกข์นี่มันติดใจอย่างนี้บางคนก็หลอก พ, อพ่อหลอกฝ่ายในท่านมีกําลังจิตมีปัญญายัางมีปัญญาไปแบบนี้กล้าหารด้วยมีกําลังจิตด้วยทีนี่ ดูว่านจะดีขึ้นกว่าเก่าเดี๋ยนี้ไม่ค่อยคิดมากพี่กลับไปบ้านมาแล้วนี่คือจะไปบ้านแกคิดมากจึงเกินไปนึกว่ามันจะยากนึกว่ามันจะลาบากนึอว่ามันจะเสียพระนึกว่ามันจะอะไรต่ออะไรวุ่นวายเลยเมื่อไปถึงแล้วใส่ความคิดไว้มัเปล่าไม่มีอะไรนี่ก็เลยม อ, อันนี้มันเป็นของแม่แน่นะมันเป็นแต่สัตว์ว่าแต่เราคิดขึ้นเท่านั้นนะนี่นนะ วุ่นวายแต่ก็ดีกําลังใจยากอย่างนี้บางคนก็ปฏิบัติสบายสบายบางคนแบปฏิบัติยากเห็นได้ง่ายบางคนปฏิบัติลาบากก็เห็นได้ยากอืเป็นอย่างนี้อนิสัยของสัตว์เป็นอย่างนี้มีผมเคยพบมาหลายคนแก่ค่ายกันโด้ ฉันจะคิดตัวนี่ไปที่อืนเขาก็บ้เป็นบ้าใชนั้นผูกิริย า, าขาคายบ้าเป็นโรคประสาทประศไปแล้วแต่ว่าทันยังดีนะไม่เป็นอะไรเราโูดตัวรเรื่องดีชอบอยากจะเห็นด้วยตนเองถ้าไปจำภาษาอยู่ที่ไหนจะอาว่าดไม่สบายใจ แกไปถามหมดเนะอะสงสัยพี่วิจารย์คาอาจารย์คำกบกัวเลยถามด้วยแ <laughs> กถามมาความจริงเลยนะนี่เหนื่อยเนี่กรถามนี่ยไม่เถียงนะถามล้วเราแกไปกกกฟุบ เ, เ่ย ถ้าทำางเราเก็บไปกไปวนอยู่ทีเดียวท่านได้กินตนี่ครับพระพาระโดไคบวชก่อนท่านบวชก่อนท่านบวชก่อนเนอบวชกั็นหลาัพรษากี่พรนษาเนี่ยทนไดกินตัวห้าครับมีเป็นหกเป็นหกพษานี่เจียกับ ก็เน้น้องก็พอมอยู่เป็นเนนด้วยกันทาแฟนแคสตินั้นไรอันพันศาทันก็อยากรีบบวดน้อยนะทุกพอดีท่านอนุญาตจลงข้อไปบวที่กรุงเทพลงข้อก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อพออายุห้าพันานั้นท่านก็เลยเข้าใจว่าถ้าอยู่ห้าพันาต่อคลายว่าหลวงพ่อเราอนุโมทนาให้บวชที่ ท่านก็เลยไปบวชบอล้วก็พัวเก่าบวชที่หลังบวชก่อนเขา้าพรรษานั่นะเขมาธโมนี่จะศึกแล้วจะศึกลำสําเรียนญาติญาติศึกตังแต่กรพรรษาน่าานะผมอย่าอยู่สกปรกเถอะไม่ได้อะไรก็อยู่พรรษานี่สักหน่อยเพรา ะ, ะเขาศึกตายอยู่เนี่ยมันจะศึกที่ก็ไปศึกลำสาเร็ียนทั้งบอดกันได้ แต่ของขวารงออกภาษาก่อนจะฝก็ดีฝึดในภาษานี่ก็ไม่คดีชาเมืองไทยนี่กล้าแบบึกในภาษานี่ก็เรียกว่าพระไม่ดีคราว่าต์มาแต่งงานในภาษานี่เขาตว่าไม่ดีภาษาเมืองไทยออย่างอย่างพระนั่นตราเรียว่าพระพระแขก นี้เปในัาษาเนี่ดอกค้านี่ใช่ไหมนะเขาเขียนักเรีมาผมอนะโอ้เข้าควยเลยพระองค์นี้เป็นพระไม่ดีเคยเป็นนักเลงมาแต่ปอนครับสองสกูนสองระดับสภาวะโปก็ไม่เรียตรวจตาดูแน่นอนบัด น, นี้มาตรวจตาดูถามแน่แนวดูบอกพระองค์มีกินเฮโรอีนเขาในร่างกายหรืออะไรตัวอะไ ร, ห, รหลายาอย่างนะเป็นนักเรลง เขบอกมว่นั้นเรื่องการคิดเทโลเวนนัน้นนะที่จะเป็นร่างกา ย, ด, ยด้วยคีดตมสนรงหิ้งกันคิดไปทาไม <c oughs> ถ้าเกิดติดอี้นั้นเนี่ยถ้ามีองคกันพวกกินกินกินเทโลเวน น, นันก็ทำไปทำนั้นมันทานมาแล้วมันเสพเสพครับมันหยุดไม่ได้ออรเแต่ว่าท่านเราคนอยู่กัน ถึงเป็นภาษาถึงเป็นยังยงมานี่เนี่ยมันบดเหเถิดอารมณ์ก็ขมขอดัวจะเกิดขึ้นกันยังไงตามลอยอย่างอื่นก็อยู่กันสบายทุกคนนะอุปโนอยู่สบายแล้วเนอะอะองค์นั่นที่ไหนองค์นั้นบวชใหม่ๆกับหลวงพ่อที่นี่ครับพระมุทโธฮะคือว่าพมะพุทโธ ข้ามุตโตโทมตโตพมุตโอใจดีไหมดีทำที่ถึงว่าตัไม้เนี่ยตัดไม้ัำปูนทำท่านทามาด่เนือดทำงานั่งเดือดทำคุณตีโน้นดีด้วยอดีมีหลายอย่างก็ดีเหมือนกันบางคนก็เป็นทำหนังสือบางคนก็เป็นไม้บางคนก็ ทำความเพียนไม่เป็นไม้ก็ไม่เป็นปูนก็เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่ทําความเพียนเก่งรอเบิดนั่นก็ทำความาสาะอาทําอะไ ร, รยนนังไงก็บคุคคลดีแต่ว่าทําความเกลียดเกลียใครนูเบิดเนี่ยครับเพื่อนนะ่ะให้เขานูเบิดนูเบิ ด, เ, บดเป็นงานสบายไหมฮะ ยังไม่อยากทึกเเลือยากว want to โจ s เอ hmm? <No. S 2> ๊ะ e ่าด่าสวายอยากเหรอครับม hey, ยาม <laughs> ดูปันศึกไปก่อนเถอะมัน <c oughs> บุนวายชื่ออะไรก็วุว่นวายผงไปดู ดูอ้กรุงดอนดอนมาในวุ่นวายยิ่งเดือนนี้พอผู้หญิงก็ขออำนาจขึ้นใสูงกว่าผู้ชายผู้ชายต้องออนี่กลัวอะไรเน <c oughs> ยผู้หญิงมันขึ้นสูงกลัวนะดูจากว้รุ่นีโบราณเนหล ะ, ะรุ่นเนี่ยโพสไปตองอยู่นี่เขา <c oughs> ท่กลหัวว่าไปเลยเนี่ย น, นี่ผู้ชายมีอำนาจไปได้เลยผู้หญิงเขาถืออำนาจสูงกว่าชาวทวีปยุโรปผู้หญิงก็ขึ้นคื้นจนผูนน้ชายต้องลบนี้ก็ะฟาหลบไป <laughs> รมไหมหบหนีได้เด็ดเอผู้ชายกลัวแล้วหลบนี้แล้ว ไม่จะรีระวังดีๆนั่นนะหลกก็วเสียที่มลลงพ่อกับอยู่ยังน้อยเะสองคืนนะที่มนอยู่เดกสองไม่จะอยู่สี่คืนให้อยู่สองคืนเท่านั้นเลยใ่วายังน้อยยังน้อยก็ปาการนไลเราเนาะ อยางนอยเรจะอยู่เจ็่หาคื น, 4, 5, คนแล้วปาร์โรให้อยู่สองคืนไล่แล้วเนาะอลาเนโปเนาะแลกกันนึกว่าจะดีใจจะให้อยู่ได้หลายคืนก็ให้อยู่สอคืนอะันน <laughs> ี้เป็นิ่งที่ไม่ไ้ ปีนี้ที่สิวัตรน้องประโงงก็สบายพะนบักะก็สบายไม่สบายนิดหน่อยกะบแกรัญญะโกไม่เป็นเลาะก็บใครสะเลาะกับคนทะากับจ้อ ทะเลาะทะเลาะกับเจ้าของออเออทะเลเองเจอของไม่ไม่ทะเกับเพื่อนคนอื่นทะเลาะเองทะเลาะกันเฮงเอาขังเลยนะขังไว้ในวัดกระโปงมันในหะนะ้มันหมดรังไว้นนะั่นทีนี้พุกนิดน่อย ไปทะเลมามาเดี่ยวใหม่ใหม่มาอยู่สบายเดี๋ยวนี้อยากจะไม่สบายไปิงแล้วมันห้าภาษาแเ้าก็ยังไม่รู้เรื่องไม่สบายนเนภาวานาจิตของเรานี่เป็นของสุดยากอีอย่างหนึ่งมันอความเห็นของเราอย่างหนึ่งมันไม่ถึงไม่ถึงความจริง หรือความเห็นอย่างหนึ่งก็มันสูงกว่ามันไม่เหมาะสมกันไม่สมรุ่นกันมันจึงลําบากมากทุกผมก็เห็นใจนักปฏิบัตินี่ทุกอยู่แต่ว่ามันมันไม่ทุกเรื่อยๆไปหรอกเดี๋ยวมันก็หายมันหมดเป็นทุกมันจะสมควรไม่มันมากและไม่มันน้อยข้ากาลังในใจเอายากนั่นอย่าคิดว่าเป็นนักบวชทุกร้อยนี้ดีกว่า ฟังคนจะรู้เรื่องนะคนนะเงินแดงงนขาผมก็มีสันอ่ผมมีสมุตโตสมุตโตปีนิสโตข้ามกันข้ามัาได้สองวันสามวันเ้ามีวันทั้งหลายเดินึ้นมาผมดูหน้าตกตกตรู้สนมะุรโ ต, ต, ตทำไมเนะี่ยข้าผมมไมาฉันข้ามาสามวันเป็นไงเนะนี่ย ธรรมะแม่ธรรมะควรใหญ่นคนตายมันจะทุกข์อย่างนีงงนี่ทุกข์กินคนนี้ทุกข์นตายอย้าพ่ออยากไปทำงานดีให้มันไปเถอพอสมควรพอแล้วพอผมพูดพราไมไ่ตั้งอะไรมันนอกฉันยังโผล่ควรแยูข้างนู้นางล่ตับันเนี่ยโคตรสีวัน ก็คิดว่ามันจะอดอาหารมันจะสบายไร้รู้เรื่องความคิดน่โอ้มันหิวยังไงเดินขึ้นเขาไปไ ป, ไป ม, ามาลำบากแล้วมานังน่งวนหลวงพ่อคนจะตายมันทุกข์มัทุกข์ยิ่งกว่าขุดอาหารนี้คนจะตายมันมันทุกข์ยินกว่าขุดอาหารนี้อือันนี้ไม่ได้โนโตทาําผิด น, นะแก่ไหม มันไปของฟรีฟรีฟรีฟรไปจะทาเงินเลยสัตว์ทุกสิ่งกูนเพื่ออาหารคือเรียกว่าเขาไปฉันอาหารคือเขาทรมานมันมันดีสมมติโตวหีนไม่ดื้ อ, อร้ายไม่ค่อยดื้อ ไ, ไปทรมานมันทำไมคนไป็นงขโมยทำไมไปจับเขานะ่ะคนชื่อสตรไปทำลา ย, ยเ็ยเาทำไมไปเดียดเย็นเขาทาไ ม, ม, มจิตนี้มันสบายว่ายจะทำมันอะไรจะเอาอะไรกับมันยาย อันนี้โงคไอความคิดมันโง่ก่าคิดของเราเนี่เอาใหม่บางวันฉันบางวันฉันมีหัเบือมอจิเออเอาเออเอาไงสันนิจานแล้วลองจำลองในท่านมาัดพิิตรคำร้ายเว้ยครับนี่คือคำร้ายเอาจ้ะเอจ้ะนิมนต์จ้ะอ่อออืม ออกกำลังถายมามีถ่ายกันไมกพั้ายกันเรียนทางที่ดีแต่อลออกกำลกัมือหนึ่งถ่ายลเป็นเนึลังเส้เต็มบอลลูนนั่ับมอายสมาธิถ่าสมาธั้นี้นั่งสามแถวก็ะดิกแลสมาิสามา่นัหไ้เลยนะออก่ยัตสมาธิถอนในที่จะรังก้น้ นี่นี่อมไรนี่มรงน้น้ำพอละเอออืมเหมือนมันเขาบอกใหญ่มากหรอกฝานี่แล้วเขาบอสบา ย, ขาายเขาบอกใหญมากเขายันมา่าสบายอืมม่กจริงมากงานนี้มันแรงนะคนโมโตกแต่โอกาสอ่า เม่ห า, ายก็ท่านน่ะก็ขอกันย้อมไม่ได้ใสไปยานายโอ้ท่านไม่ได้มาอยู่นานจ้ประกอบ โอ้ยนั่นมีอย่างเดินเดียวเดยวกระกระกรม <c oughs> ันจะกลัวมั้งนันอืออ่าเป็นบ่ในอ่ น, ออนมันที่อยากเป็นไหมบ่คนบางดูภาษาบ้ตงตอหูเรื่องกันตัว คนน่มันอาศัย <response. S 1> การป่วยกำลังมันลดลงลดลงลดลงลดลงอลือดรงมันก็ไม่วิ่งจำมั่งเสมอมันอาจเกิดได้มันเกิดที่ตกวิจารหลายอย่างนะีในทีในทีน้าในทีน้าฮาวฮาวอะไร หลวงพ่อมาแล้วก็สบายใจที่กายไม่สบายก็ฉัมาเถอะงพ่ออเดียนอนเีงนพอนเน้จำไว้น้ำมันจะท่วมบ้านเราเราเรามันมีความสามารถจะห้ามมากกันไปมันท่วมมันจะมันท่วมใจเราไฟไฟมันจะไหม้บ้านเราเราพยายาม ชุดที่สายแล้วก็ให้มันไหม้ไยครับยาให้มันคอยไม่ใหญ่เราพาจะทนเราี้แล้วจะมีค so นดูแบที่ไม่สบมันเกี่ยวกับจิตมากกว่านั่นแหละเป็นทุกข์เพราะอะไรดูั้ม <Why is S 2> มันทุกข <you> ์เพราะอะไรวยเป็นคิดมากนั่นแหละพยายามลดความคิดหนึ่งความสุขอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าคิดไม่หยุด ความสุขไม่มีเราอยากจะมีความสุขเป็นต้นเอาความคิดนั่นให้มันเบาออกไปนะม่อยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> ถ้าคิดมากๆ ก, ก็ทุกข์มากเลยถ้าไม่คิดนั่นแหละทุกข์ความสบายอยู่ตรงนี้เ <c oughs> ขาดังใจทุกวันเขาไปลองแล้วมันไม่ <c oughs> <c oughs> อย่าตั้งใจเกินไป ตั้งใจเกินไปก็ยิงทุกมากมปล่อยมันปล่อยมันมึงไปตั้งใจมึงไปตั้งใจเกินไปลอยมันเฮ้ยเข้าใจจิดนึกว่าจิตเราเป็นทุกไม่ใช่ผิดหมดจิตไม่เคยทุกเคยสุขเลยจิเลสกิเลสมันพาเราทุกสุขจิตไม่เป็นอะไรไมันจะเป็นอะไรลงจิตเจ้าของ อืมไม่รู้จิตจะของจิตมันจะทุกข์อะไรไม่ต้องทุกข์จิตไม่ทุกข์เราคิดผิดมันทุกข์ขึ้นมาเพราะคิ ด, ดแต่นั้น <c oughs> <c oughs> ไม่ใชอะไร <c oughs> จิตไม่เป็นอะไรจิตสะอาดมันใบไม้เห็นไหมใบไม้ปกติมันเชม่มีปกติใบไม้มันเช่บางทีมันกวาดแกล้งนี้เพราะอะไรเพราะลมไม่ใช่ใบไม้เพราะลมมาทํามันอย่างนี้ ถ้าไม่มีลมมันใช่สงบเลยจิตเราก็เหมือนกันเนื้อว่าจิตเป็นเป็นทุกข์ไม่ใช่คิดผิดแล้วจิตไม่ทุกข์เราคิดให้มันทุกข์กันมาฉะนั้นกิเลสกิเลสะคิดไม่ดูไม่ไม่อามันต้องการปฏิบัติต้องตั้งต้นออกจากจิตจิตแท้ๆมันไม่มีอะไรมันสบายถ้ามันไปผสมผสมลมแล้วเรื่องอะไรต่างๆออกมามันเกิดขึ้นมาเหมือนใบไม้ลมมากระทบมันฝัน ดีไม่ดีใบมันร่วงไปจริงมันหักไปต้นมันโค่นไปทั้งหมดก็ได้เออถ้ามันแรงหนักนี่คนคิดไม่ทีนี้หลวงพ่อมาอบอุ่นแล้วคิดไม่ผิดนะภาวนาอย่างนี้ผิดแล้วถ้ามันถูกล้วคิดมากี่ปีกี่วันมาแล้วมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะั่นคือว่ามันผิดแล้วทําไมตัวนี้เดียวทำไมคิดมากอาจารย์ก็เทศเก่งเหมือนกันจะดทุกสิฟังไม่เก่งเลยอือ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 เรื่องความคิดของเราเท่านั้นเนี่ยจิตมันจะเป็นอะไรจิตมันมีอะไรไหมมีตัวมีตนไหมมันจะนีไมันจะเป็นอะไรจิตเนี่ยเราเห็นว่าจิตมันทุกข์จิตมันไม่ทุกข์ตัวเราเนี่ยมันทุกข์นี่ไอ้ตัวเราเป็นตัวเรามันทุกข์ไม่มีตัวมีตนเรื่องจิตเนี่ยมันจะทุกข์อะไรเราเข้าใจผิดว่าจิตมันทุกข์อะไรตัวอะไรหลายอย่างอืมเกือบประมาณไม่ทันจะทุกข์เป็นนานหนึ่งปีนะมีต้องพอมาทันนี่นะ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 เราก็คิดว่าเออปิบัตเอามันจริงจังนิดนึงวุ่นวายเนี่ยเกิดอารมณ์หลายมากขึ้นแต่วันนี้ต่อไปก็จะ้ามันคิดหยุดบอกน้องพ่อว่าใครทุกข์ดูจิตน้องพ่ อ, อจิตก็ไม่ทุกข์จิตรูไม่ทุกข์จิตก็ไม่เวนอะไรจิตมันสุขกรกะป๋จิตไม่สุขกระปกอไอ้คนคิดแต่มันสุขกระปกองใ แต่ให้โทษเขาเนี่ยไอความไปกินโทษอยู่กัเราแต่ให้โทษเขาดูเขามันบาปนี่เป็นทุกข์ถ้าถ้ายมคิดอยู่อย่างนี้มันจะทุกข์ตลอดเวลาเลยเพราะอะไคิดผิดมันก็ทุกข์อย่างเนี้ยอยากจะเห็นโดยมันข่วมลงก็มาเห็นนี่อาจารย์ว่าหน้ามืออยูไห น, นอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ทางนี้นนจะเห็นให้พิกขึ้นอย่างนี้ยมไม่ยอมพิษขึ้นมาก็ดูอย่างนี้ตัวเองเห็นนี่ไอ้ความทุกข์ของมันกันอย่าง น, านั้นต้องเพียนาใหม่ ถอนความรู้สึกใหม่พิจารณาใหม่ที่พิจารณามาเนี่ยกี่เรือนเนี่ยข้าพันศามไม่คิดคิดหมดแล้ยไม่ได้อื ม, อมเดี๋ยวอาจารย์ก็เป็นทุกข์เดินเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอาจารย์ก็เป็นทุกข์ดูทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งกับป่าดันไม่เอาสิจั <c oughs> นท <c oughs> ์ปัจจุบัติ เมื่ขุดเพชรในหินเพชรก็แข็งหีนมันก็แข็งแต่เพชรมันฝังอยู่ในหินเราต้องการเพชรมันมีราคามากก็ต้องอาไปขุดเอาเพชรแต่ว่ามจริงที่เราขุดมันก็หินเหมือนกันแต่เพชรต้องก็ฝังอยู่ในหินนันนี้มันบากแค่น่อยหนึ่งถ้าทาไม่ถูกมันลำบากแค่หน่อยหนึ่มก็คือเราคิดผิดน่ะคิดผิดคือเราคิดอย่างนี้น่ะอีิจฉามันเป็นทุกข ไม่ควรเป็นจิตไม่เป็นทุกข์เราไปหาเรื่องสะทอืมจิตเราไม่ไม่สบายบ่งหกจิตเขาไม่เป็นอะไรเขาสบายเนี่ยที่นี้เราจะขุดเอาเพชรในหินเพชรมันก็แข็งหินมันก็แข็งแต่มันฝังอยู่ในหิ น, าหา น, นนี่ร็หาความสงบเหมือนกันหนึ่งเราถ้าไม่ถูกมันก็นึกว่ามันเป็นเพราะจิตเราไม่สบายเพราะเป็นอนุนเพราะเป็นอันนี้เพราะมันเปลี่ยนอากาศเพราะมันเป็นอาหาร พ่เป็นก็อะไรได้ยหลายอย่างเ อ, อมันคิดผิดคิดผิดนี่เรียอว่าเราจะขุดเอาเพชรในหินมัได้จะเอาจอบอย่างดีที่สุดเลยมันแข็งกว่าเพชรแข็งกว่าหินอีกขุดลงในหินนี่มันเจอเพชรอันนี้คือมันกันฉัน น, นั้นอันนี้เอาความเห็นผิดออกเสียแล้วโยงไปเครื่องมืออันนี้ขุดใช่ไหมล้วนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาไปขุดเอาปากเป้าก็แยกกัเลยไม่ต้องมาล็อก ถ้ามีความเห็นถูกหรือไม่มีอะไรอันนี้เห็นผิดความเห็นผิดยิ่งเห็นยิ่งคิดยิ่งทุกข์ที่นี้ถอยกลับมาที่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นออกจากจิตหลวงพ่อสอนว่าไม่มีอะไรมันจะมาทุกข์จิตเขาก็ไม่เป็นอะไรอืมจิตไม่เป็นอะไรมันมันเป็นทุกข์ไม่ใช่จิตของเราเป็นทุกข์ไอ้ความคิดผิดคือจิติทั้งหลายนั้นมันเป็นทุกข์ รวมเป็นจริงมันสบายสบายสบายสบายอันนี้เราเห็นว่าอีจิตมันเป็นอย่างโน้นจิตมันเป็นคิดไม่เป็นอะไรนึกว่าจิตเป็นบ้าเราเป็นบ้าเองของเราเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไเครื่องมือขุดเพชร ด, ดีที่สุดแท้ขุดได้หินแสนขนาดไหนเป็นต้นก็ขุดได้จะได้เพชรจะใช้าใาการปฏิบัตินี่ผมือนกันฉันนั้นเนี่โยมอย่าไปคิดไปไกลมากอย่าคิดถึงบ้านหคิดถึงอะไรได้หลายอย่าง ไอ้ควคิดหนึ่งมันไม่ใช่ปัญญามันโง่ที่สุดแนละ้ถ้ามันมีปัญญาดีคิดมาป่านนี้โอยมันสําเร็จอรหันตรีระพันอั น, นมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเนยเอาเดีมาเจาะดูสินะมีแต่ของบุ่วายทั้งนั้นอย่างนี้นนนนนไม่เจอของดีหรอกไม่เจอเพชรหรอกคุดด้วยสิไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีเลยเพราะคิดผิดทั้งนั้นให้เข้าใจใหม่นะให้เข้าใจใหม่ที่บริโภคอาหารพอดีสมควร พอดีปล่อยให้มันสบายจะไปตึงให้มันมากปล่อยไว้สบาย <S <S หายใจสบาย <S <S บาเดินสบายดูไปเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิอะไรเป็นสมาธิฉะนั้นแตคิดถูกแล้วมันจะไปทําอะไรมันคิดไม่มีปัญญาจะไปทํามันก็คิดนั่นน่ะเขาดีแล้วไอ้คนคิดตัวเองยังไม่ดีหนูคิดเหตุเนี่ยอย่าไปว่าเขาเลยเราเห็นผิดเล้วนี่ถ้าอาจารย์มาเป็นเจ้าหน้าที่จะจับคนคนนี้จะไปเขาตารางตรอดทีท่ติดจะหาโทษให้เขาเนี่ย แท่เลนพลังงานเนาะทุกวันคงจะยิ่งหน่อยเนาะอืมอืมทุกหลายหลวมพ่อเรื่องอาหารไม่มอนหน้าถาเขาข็นารุวงพ่อโทนคงจะเชื่อมาอะไรคือมันเรื่องอาหารก็มันสับสนแล้วก็อยากไปกินมีความรู้สึกว่ามันไม่ควรกินแล้วก็ จะเป็นที่เละเลยจะเป็นภาษาเลยจะเป็นนอเลียงชีวิตของตนมันจะเป็นประโยชน์อะไรไหมกินอาหารชนิตในดีไหมเกิดมาสมาัยที่เคยกินอาหารนี่นี่เกิดมากินอาหารหรือเปล่ากินคิววันบอลค่ะคิวอินซูน่ะนไปดูถูกอาหาราาละไม่กัะเห็นใส่เดือนไหมใส่เดือนมันมคือไปเห็นไหมเห็น เฮ้ยไนี่ไอความคิดเนี่ยมันไม่ไม่ถึงใส่เดือนเลยมั้งเนี่ย <laughs> เสเดือนมีความคิดดีกว่าตรงด า, ามันไปไเรื่อยเนี่ยอือพร ะ, ะสัตว์ทุกชนิดอยู่โดยอาหารธรรมดาดักยายมันอยู่โดยอาหาร คนมีอาหารกินทุกที่สุดทุกอะไรในเหมือนกับคนที่อะไ ม, มีอาหารกินทุกชนิดเราควรพิจารณาอาหารอาหารทุกอย่างอืมจะเป็นของหยาบถ้าเป็นของละเอีอะไรครับเอาโรกเขาบริโภคกันเลี่ยงอาหารเลี่ยงนั่งกายของเรา น, นี้ยก็ควรรับประทานในนั้นนี้ไม่ได้จะต้องพยายามทํา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 ชีวิตจะต้องอาศัยอาหารเป็นอยู่ถ้าทำชั่วก็มีอาหารเลี้ยงจะทําดีก็มีอาหารเลี้ยงไว้เป็นอยู่แต่ทาชั่วทําดีเนี่ยก็เพราะปัญญาของสัตว์นั้นแต่อาหารเนี่ยเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเลยมันจะเป็นมหาโจรอาหารนี่มันก็เลี้ยงชีวิตไว้จะเป็นพระพุทธเจ้าอาหารนี่ก็เลี้ยงไว้อาหารนี่คือคือนายแพทย์ในโรงพยาบาล มันจะไปขโมยยิงกันต้องอ ม, มาเอามารอยาบาลนังพยาบาลต้องสะแผลต้องทําผีดยาเรียบร้อยเรื่องคนยิงมาเป็นเรื่องต่างหาเรื่องหมอแพทย์เรื่องพยาบาลต้องรักษาดีๆมันจะไปโต้ไ่ไหนมาเขาต้องทํำให้มันดีๆดังนั้นเรื่องอาหารเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราไม่เราไม่ทานอาหารนเนี่ยผิดนี่ผิดอาหารเรียงไห้ยึ ด, ด, ด, ดจะสร้างความดีคงชั่วได้าจะสร้างความชั่วเพราะผหลง คนหงอาหารเนี่มันก็เลี่ยงได้เหมั้นอืมคนรู้อาหารก็เลี่ยงไว้เขามีหน้าที่เลี่ยงร่างกายแบบนั้นไม่จะทำไมาเลี่ยงเนี่ยไปเป็นโจร ไ, ไปเป็นหน้าปลากที่ใส่อย่างนั้นเขาเลี่ยงให้ได้สิอย่างนั้นอาหารอีควรควรแต่รับประทานควรจะบริโภคไว้อย่างนั้นก็แปลกค น, นสนนิมีคนคนหนึ่งเป็นพระอยู่ในภูเขา พิจารณาอาหารไปที่คุณทัญญาพิจารณาอาหารเอาข้าวใบาทรไปเิจารอาหารพิจารณาไปไปุดมันตกเกินไปพอพิจารออาหารก็เป็นขีน้ขี่ก็เป็นอาหารไม่ดูไม่ได้เลยไม่กินไม่ได้กินขี้ทั้งนั้นเออเอขี้ทั้งนั้นนเซียนมันตกเกินไปมันใช่ไม่ได้ เดี๋ยวกินไม่ได้เลยไอไอพนุกประสาทอย่างนั้นซี่สิบวันเลยซี่สิวันกินข้าวไม่ได้มองไปในอาหารขี้ทั้งนั้นมองไปอยู่ในห้องขี้เนอะเกินไปเสียไปต้องมาพยายามพยายามไม่ทํางานพยายามได้ๆอย่างจะประมองเห็นได้เองเห็นอาหารก็เป็นอาหารเห็นข้าวเป็นข้าวในปกติเดี๋ยวก็มาชันข้าวโดยปกติธรรมดาดีๆจนมาดีๆนี่มั่นจรนงใจอย่างนี้ โยมจะไปดูถูกอาหารไม่ได้หนูบาปเลยอืมมันจะอาหารหมบาปเราเป็นบาปมันจะตายอย่างนี้ลองลองเลยเดียเออเดูพิจารณาอาหารพระพุทธองค์กันในพิจารณาอาหารถ้าเรียนปริกุลสัญญาให้พิจารณาอาหารนี้อืเราจะทานอาหารไปเพื่อให้เกิดประโยชน์เพ่จะอยู่ไปจนวันๆกําจัดเวทนาเก่า คือมันทุกเวทนาเก่ามันทุ ก, ม, ทกมันหิวอาหารฉันไปเวทนาไปห้ามให้วเวทนาเก่าเกิดขึ้นอืมให้มันดับไปแล้วถ้ามีเวทนาใหม่ยังเกิดไม่เกิดขึ้นเราอยู่ไปได้โดยปกตินี่แค่ก่อนเป็นดับมันกายกายกับจิตเป็นคู่กันไปอืมถ้าเราไปให้โทษไป่จิตอย่างเดียวจิตสกปรกอย่างเงี้ยนั่ก็ไม่ดีนะอ่ม แต่วากายเนี่ยมันไม่ดีก็ไม่ได้มันต้องอาศัยสิ่งกันเลียกันทางกายทางจิตทางกายทางจิตทางรูปทงรูปนามสองอย่างนี้ต้องอาศัยกันไปจนไปถึงนูน้นไปถึงนู่นอะถึงปณิพานามันถึงจะกรับไว้ถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์ของเราก็ยังพยายามชันยังหานออาศัยมันอยู่เรายังจะอยู่ก็ต้องทำอย่างนั้น เงี้ยฉันมีเกี่ยวข้องอาหารเป็นเรื่องเล็กตายในวังหนึ่งหนึ่งตายแดีนี้อยากไปพูดเดีนี้หลายคนส อ, อบวันนี้ต้องทานอาหารนะมันจะโทษปฏิบัติไม่ไม่ถึงความสงบละอย่างนั้นต้องค่อยๆไปด้วยกันต้องฉันจังหารฉันอาหารจะทำยังไงยู่มันงอก เขาานอาหารฝรั่งอย่างนั้นเนี่ยช่ยวาบาเมืองไทยเขาเกล็ดกินอาหารไทยสบายเนี่ยชาวบานเมืองไทยกินอาหารเมืองไทยแบเป็นฝรั่งอย่งเงี้ยมันก็ะจายดัานฝรั่งเดือเล ย, เยกินไปกินไปสบายพระพันอยู่มานี่เพื่งคนมีปัญญาปฏิบัติตามชาครวนะลองลองดูนะทนลองอยังไกลยังไงก็ ทุกข์มากเคยร้องไห้ไหมน้ําตาออกไหลออกมีไหมมีไหมเออดีให้มันออกใหมันหมดสัแต่น้ํามีไม่หมดมันไม่หายทุกข์หรอกให้มันออกให้มันหม ด, มมหมดมมหทีหลังมันหมดก็ไม่มีน้ําไม่มีน้ําตาแล้วก็สบายอยู่ <laughs> บ้านเราเคยมีความทุกข์อย่างนี้หรือเปล่าเคยมีครับ เพราะอะไรมันถึงทุกอย่างนั้นอยู่บ้านเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรมันถึงทุกอย่างนั้นอยู่บ้านเดี๋ยวนี้คงกลับไปไปทําอย่างนี้อยู่บ้านคงจะไม่ทุกเนาะกลับไปบ้านไปบวเชเป็นชีอยู่บ้านานี้นคงจะไม่ทุกเห็นมั้นะ <Okay. S 1> จะเป็นเงินไปไม่ได้ะ ไ, ไปเหมเดี๋ยวนี้ลนะถ้าเราอยู่บ้านเราคงจะไม่ทุกอย่างนี้เหมันะ้ยเราแต่พอจะอยู่ที่ไหนครับ สมมติว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปอยู่อย่างนี้อยู่ในกุงเงินดอนก็คงจะมีทุกอย่างนี้มั้มจะเป็นไปได้ไหมงั้นใช่หรือแมนี่ <c oughs> นี่มันเป็นเพอรอะไรเนาะแต่เป็นคณะวาดอยู่เคยทุกข์อย่างนี้เปล่าแต่ยังไม่บวชอยู่แควา้นว่านเป็นทุกข์อย่างนี้หรือเปลาเา่าเคยเป็นเคยเป็นเนี่ยอืเป็นไม่มากไงเป็นนิดหน่อยแหะ เป็นหลายวันไหมเขาจำไม่ได้ครับแต<อ>่คาจะนานพอสมควรแล้วก็พอดีไปงาจนันทร์เมื่อเาพบทับที่นั่นเลยหายเลยหายโกงหกอีกแล้วแล้วนี่มันเกิขดขันเทียนด้วยตกลงว่าวันนี้น้องพ่อมันมีโอกาสมากพูดแค่นี้ก็เป็นสี่เจริญาณาเอางี้ก่อนฉันจะจไปนั่ง กำหนดที่มันใช้อยู่นออย่าไปทำเลยปล่อยวางมันธรรมดาอยู่เป็นคนธรรมดาชก่อนเหมือนกับผ้าของเรามันสกปรกที่มันสกปรกก็เพราะว่ามันไม่สะอาดถ้ามันไม่สะอาดจะไปยอมสีอะไรมันก็ไม่สวยมันสกปรกแล้วบัดนี้เอาผ้าไปฟอกให้มันสะอาดสะอาดเป็นปกติเราจะอาไปรับ สีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้สบายสะดวกนี่ก็เหมือนกันวางจิตเป็นปกติไปเฉยๆนะท่านิพพานก็ไม่ไปมันนรกก็ไม่ไปมันสวรรค์ก็ไม่ไปมันนะฉันจะอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาอย่างนี้คิดอย่างนี้ไม่ในใจเราเชก่อนเดินไปไหนก็นธรรมดาพอนั่งสมาธิเพื่อพอสมควรแล้มันสบายไม่ต้องออยมันนานหรอกนําค้างเนี่อยู่สช่ก่อนธรรมดาธรรมดา อยู่ธรรมดาเลยครับอาเซทธรรมดานี่เป็นไปก่อนทําไปอย่างนี้เดี๋ยวปัญญาเขาจะมาทางหลังเขาจะค่อยตามมาล่ะนะเดี๋ยวปัญญาเขาจะตามมาเหมือนกันกับเราไปพบปัญหาอนนี้มันไปนอู้มันเป็นทุกข์เลยอยู่นั่นเนี่อยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวปัญญาเขาจะมาเราต้องทำอย่างนั้นๆๆๆต้องทำอย่างนั้นต้องื่อแก้ปัญหาช่วยเราเพราะการอดทนเป็นบทบาทของการอดทนเลยก่อนสิอดทนไว้ อันนี้คือมันการแต่มันทุกข์มันอดทนไ ว, ว้อย่าปล่อยเป็นธรรมดาไ ว, ว้เนี่ยปัญญาก็จะมาทีหลังเค่อยมาเขาจะตะกีข้ า, างาตรงนี้มันจะอย่างนันอย่างนั้นตปงนี่งอย่างนี้นนมันค่อยๆแก้ไปห า, หายไปหายไปเี่อๆอย่างนี้เมื่อหายไปทุกข์ก็มาเป็นธรรมดาอยู่อีกอยู่อย่างนี้เรื่อยไปก่อนนะเอาอย่างนี้นะตลอดพรรษานะอย่าไปทุกข์อะไรมันเลยทุกข์มันเลยประโยชน์อะไรนึกเปล่ากันไม่รู้ถามมือที่ฟ้านทุกข์เลยประโยชน์ไหม นี่เจมันอยากจะร้องไห้อยากจะมันแล้วกพัดยังนะมันทุกข์อะไรเนี่ยเอาไว้หน่อยทำไมต้องอยู่ธรรมดานะที่นี้นะอยู่ธรรมดาอีกหากว่าถ้าอยู่ธรรมดาได้นะอาตมาจะขึ้นไปทําอย่างนี้ฟังอยฟังโยมโยมฉีกุงดินดอนเป็นไงไม้เขาอยู่ธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยจะฟังเด็กตรงนู้นจะค่อยๆมาช่วยให้มันเข้าทางแล้วก่อนช่วยแล้วมอบของชาคาโดไว้พรมาสูนไว้คน อะไรเขาดีทุกอย่างเละไม่ดีแต่เราเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็แค่โทษจิตของเราเนี่ยอะไรทุกอย่างมันดีทุกอย่างอืต้นไม้ทุกต้นมันไม่เอาโคนมันขึ้นฟ้าเหรอเห็นไหมมันเอาปลายมันขึ้นฟ้าทุกต้นเ้าอยู่ปกติเขาธรรมดาเราไปคิดว่ามันเอาปลายลงฝังลงในดิ น, นยังไงเด็กมันต้องเป็นผิดปกติเท่านั้นเล ย, ยเรียกว่ า, าเสียประสาทนะ คิดใหม่ที่นี่นะคิดใหม่นะเอาให ม, ห ม, หม่ ม, มาต่างกรุงนันดอนมาต่างหลายใหม่หลายโยอดเว้ยจะมาเอาทุกข์หรอือไงเอาเอาธรรมดากันดิอย่างน้อยกลับไปกรุงนันดอนให้ธรรมดากลับบ้านไม่ใหม้มาขาทุนดิอันนี้เป็นอย่างนี้ก็เอาขาทุนกลับบ้านนะนังอือเข้าใจแล้วนะขึ้นจากานรกแล้วมันตกนรกแล้ว แต่วันนี้ไปขึ้นจากนรกันตกนรกหลายเดือนไม่หนีนะครับคลานออกจากเท้าคลานออกจายูนิเดอร์ลองนี่นคลานออกคานออกจากเแค่นรกได้ต้องพ่อพัรษานี่ก็ป่วยกับทางพรรษาแตเว่ามันป่วยเกจกายหรอกใจมันอยู่อย่างนี้นะใจมันมีป่วยหรอกใจมันตกนรกย้อมมาตกนรกบนทั้งกายทั้งใจทั้งนั้นเนี่ยนี่ พอใจเอออย่าไปตกนรกนะทีเนี้ยไม่เอาเออบานี้หลวงพ่อจะไปพักวัดประพงศคงจะพักอยู่หลายวันสักหน่อยมีโทระเล็กๆน้อยไปเอาแมฆขาวเม่ชีขึ้นจากนรกใครตกนรกเอาขึ้นจากนรกถึง่จะไปมันเม่ชีว่าเดนชาติชีเนี่ยตกนรกไปสักองค์เอาขึ้นจากนรกก่อนเพืจะไป ยังไม่ชีวัดประโพงอจะตกไร้คนก็ไม่รู้ไปดูเถอก่อนท u เหียนนายจันทร์ตัวเตาดึงแม่ชีดาวดับเท้าทำเห o ยนจะดึงสาวๆจะ o อด o ะดึงสาวๆหลวงพ่ออยากให้แม่จีพร้อมโคเกิดร้อนเหมือนกันเล็กน้อยก็คงใจเขาก็ไม่เป็นไรแด้ทั้งบ้าน อขัดของมหาแม่ก็พือยามขาดตัวตายเพราะไม่สบายเรื่องลูกมาบวชที่มาบวชไม่ได้บอกก็ไม่ได้บวกไม่ได้บวชบอกแต่ไม่บอกมันใครอ่าจะจะอยู่วัดแต่ไม่ได้บอกจะบวชแต่แม่งรู้จักแต่ก็แม่เป็นชาวอิสลามรังเกียจนี่มันเป็นพวกความโง่ของคนไว้จะทำไง กาของศาสัตร์คุณทำไงล่ะอือยังไงอยากจะกลับบ้านยาังไงเนี่ยไม่ก็ไม่อยากกลับนี่จะกลับก็อยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้แหละนานๆแม่ก็มาหรอกอิสลามมาเถอะมาหาพุทธเถอะพุทจะพูดให้ฟังให้ <laughs> อิสลามมาหานี่ดีกว่าอยู่นี่แหละถ้าแม่รักก็จริงๆเดีวมามานะมาแย่งเดี๋ยวมาลบ ก, กันอยู่ีกทีหนึ่งเลย <laughs> อ้ตักามน่พ่อแม่ของพระพุทธเจ้านั้นยินดีใจ้ลูกชายบวชวันไหนเล่าไม่ให้ทุกชายบวชเราโคชนะนางที่หามายานพ่อแม่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่เอาไมเอาไม่อืม่เอไม่อยากให้บวชไม่มียินดีแต่พระพุทธจ้องค์ของเราเห็นดีแล้วแต่เป็นไงวนแน่แล้วแต่ก็มาบวชพ่อแม่ร้องให้พูดวายทะนนี แต่ตั้งแต่ทช่วยนี่ทำดีๆไว้เนี่ยก็พ่อก็ไม่เนี่ยก็แม่ก็ไม่เดี๋ยวใครๆก็ไม่เนี๋ยวเมียก็ไม่เดี๋ยวลูกชายหมดหมดเลยกลัวมันมันเป็นมาแต่ น, ต น, น้นแล้วเป็นในเวลานี้เขายังไม่เห็นจ่ออีกถ้าแม่มาเนี่ยมาเห็นในหลายคนในหลายคนในหลายคนไี่มีก็แปลกเหมนกันเลยทําไมทําอย่างนี้ ก็แปลกันมือนกันยังจะมาไปไปอังกฤษเกันเนี่ยเขงมาดูไปฝรั่งเศสเขก็มาดูถ้ามันเคยเห็นคนโกนผมเนี่ยผมยุงเหลืองเนี่ยเขมาดูพ่อมันก็มาดูพวกอเมริกามาดูอีกลูกมาดูอีกฝรั่งเศสยิงไร้หนูอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอย่างนี้เป็นธรรมดาของเขาอยู่ในฝนานๆก็เขาไปใกล้ มาใส่กับขาเลยดูเรื่องคันเดี๋ยวนี้สหรัฐเขาก็มาบางคนกรุงรานนอนเาก็มาฝรั่งเศสเขาก็มามหาวัดประโพหาวัดอะไรมันแปลกเขาเขามาดูใช่ป่อนบางทีเขามาดูก่อนอันนี้เขาเขายังไม่เห็นตาไปเห็นคขาคิดว่าไม่ใช่ ไ, ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ทุกอย่างอืทุกอย่างเป็นแต่ความคิดมันยังไม่เห็น ยังไม่มมเห็นอัตมาเหมือนกันจะพูดความจริงฟังหน่อยเนยหมินเนยก็นิ่มหินได้จะอยู่พอฝรนนั่งหมิ่นนั้นเดี๋ยวนี้อร่อยเลยใช่ไหมต่าไปใกลไปทุกทีใกล้ก็ไปทุกทีเหม็นก็เลย้า ม, ามันคิดดีมกันอยู่ <c oughs> ทุกวันต้องเอ า, ต, อเอาต้องเอาให้มากพวกเขาเดยฝรั่รงเอาน้อยก่อนจะมาเลยเนอย ในแข็งมันยิ่งดีซะแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไ้ยิ่งกลิ่นมันนะไม่เห็นมันกเห็เหมือนขี้ไก่เว้ยอย่างนี้มันดูจ่าเดือดรชอบอะไรกเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้อุปมาอุปฟังมันเป็นอย่างงี้อยู่นี่แหละย่าแม่มาหรอย่าแม่มาตรงนี้อืมเาอืมา จำได้ไหมลนะ่ะขคาใจไหมอืม้าใจก็เอาไปทําไปปฏิบัติตค่อยทําอืมถ้าเอาแต่ความเห็นของเรามันทุกข์นิดน่งต้องอาศัยความเห็นของพระเลยจริงบางทีมันจะเป็นทุกขอ์ออกเอาความเห็นของมันคิดไปคิดไปยื่งคิดไปยิ่งคิดไปยิ่งทุกข์หนักเพราเรามันโม้นอยู่แล้ว เพราะมันโงโ่เลความคิดเรามันก็โง่ก็ไปฟังควคุณโง่โงก็โง่ไปตามกันบนดนั่นแหละนี่ให้เข้าใจอย่างนั้นดียังไงก็เชื่อถ้าก่อ น, ท, นทินหมาก่อนเราทําก่อนเชื่ออย่าไปเชื่อก่อนทำอืมอืมทางแรกมันบางทีก็ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อทําก่อนเชื่อพราเข้าใจว่าเรามันไม่แน่นอนทําก่อนเชื่อก่อน จะเรียกไม่เชื well, on. On ่ออัต่มาก็ไม่เชื uh ่อแต่ทําก่อนมั้งทำก่อนเชื่อนานๆไปก็ปัญญามาตามก็เชื่อเข้าเชื่อเข้าเชื่อครับบางคนก็ทําเชื่อก่อนทําบางคนก็ทําก่อนเชื่อทั้งสองย่างมีปัญญาไปได้ตรงนั้นเนี่ยเข้าใจไหมที่ยงช่วยคนอื่นนั่นหลายชั่วโมงแล้วท่านช่วยคนอื่นนั่นหลายชั่วโมงแล้วแล้นั่งฟังกันสบายการพูด คอไม่เป็นไฟเท่าน้ยนี่คือให้ประโยชน์คนอื่นแล้วประโยชน์ต้นประโยชน์คนอื่นล้วยังดันไปคิดทห่มันทุกข์เรื่องนั้นหละต่อไปต้องขึ้นจากนรกแค่ะนะอย่าเอาะอย่าอเอาเรืจะกลับวัดตะโพงใช่ลเอาละ